บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติอนาปาณสติกรรมฐานนั้นพระผู้มีรภาคเจ้าทรงเชย่เห็นว่าการพิจารณาเห็นกายในกายนเนืองๆจูนั้นหมายถึง 1. การทำสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติกรรมฐาน 2. การตั้งมนัสิการว่าจะกำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงคือหมายความว่าตั้งสติระลึกรู้กองลมทั้งขณะที่หายใจเข้าและทั้งขณะที่หายใจออก โดยการตั้งจุดไว้เป็นฐานลมทั้งฝ่ายเกิดคือฝ่ายเข้าและฝ่ายออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อต่อไปนั้นให้ตั้งมานาสิการว่าจะระงรับกายจสังขารหายใจเข้าจะระงรับกายจสังขารหายใจออกคือเมื่อบุคคลปฏิบัติไปความสงบระงรับ ของลมหายใจก็จะบังเกิดขึ้นลมหายใจนั้นท่านเรียกว่ากายสังขารเพราะทำหน้าที่ปลนปลือดํารงรักษาร่างกายเอาไว้แล้วข้อต่อไปก็การพิจารณาเห็นกายในภายในการพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกการพิจารณาเห็นกายในกายตั้งภายในและภายนอก ซึ่งเมื่อถึงจุดของการพิจารณาไปตามลำดับนั้นก็มีลักษณะของวิปัสสนาปรากฏขึ้นเฉพาะในที่นี้จะได้ทบทวนถึงขั้นตอนของการปฏิบัติอานา ป, ปานสติสักเล็กน้อยการทำสมาธิด้วยวิธีอานาปานสตินั้น มีหลักที่ควรรู้ดังต่อไปนี้คือ 1. ท่านั่งสมาธิซึ่งกําหนดไว้2วิธีด้วยกันคือสมาธิราบได้แก่ท่านั่งอย่างนี้ดูตัวอย่างได้จากพระพุทธ ร, รูปทั่วไปเว้นแต่มือทั้งสองนั้นให้วางซ้อนกันคือมือซ้ายวางไว้เบื้องล่างมือขวาวางไว้เบื้องบน ทั้งสองมือวางอยู่บนหน้าตักในอาการที่สบายเป็นปกติคือให้ตามธรรมชาติวิธีที่สองนั้นเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการนั่งที่ลำบากต้องอาศัยการฝึกขัดอดทนแต่ถ้าหากว่านั่งได้จนเป็นปกติแล้ว สมาธิจะมั่นคงไม่ค่อยวันไหวประการต่อไปก็คือตั้งกายให้ตรงไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งอย่างไรต้องพยายามตั้งกายให้ตรงไว้อย่างไรก็ตามถ้าหากชาญเกิดขึ้นแล้วในขณะใดลักษณะงองุมของกายซึ่งปรากฏแก่คนทั่วไปนั้น จะไม่เกิดขึ้นส่วนการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นจะเห็นว่าบางวิธีเป็นวิธีเริ่มค่อยๆดึงจิตเข้ามาอยู่กับความสงบเท่านั้นอย่างเช่นการนับยังไงยังไงจิตก็ ย, ยังวิ่งอยู่กับนับการกำหนดตามลม จิตก็ยังวิ่งตามลมอยู่แต่ว่าในขั้นแรกนั้นเราจะก้าวไปถึงจุดที่ดูลมกระทบกับภาวนาพุโทโธนั้นทำได้ยากวิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีเบื้องต้นเมื่อจิตใจคุ้นเคยกับอารมณ์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเข้ามาหา พุทโธหรือดูเฉพาะจุดซึ่งลมกระทบซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่าสังเกตดูก็จะพบว่าลมหายใจเข้าออกนั้นกระทบตรงจุดไหนมากก็ให้กำหนดไว้ที่จุดนั้น แล้วก็ถือว่าจุดนั้นเป็นจุดตั้งของสติพยายามให้สติอยู่กับจุดที่ลงกระทบถ้าหากว่าเวลาใดสติเกิดพรากไปจากจุดที่ลงกระทบก็ให้มนาธิการคือทำไว้ในใจด้วยการเตือนตัวเองว่าในขณะนี้ใจเรากำลังสายไป ในอารมณ์ภายนอกก็ให้พยายามดึงจิตกลับมาอยู่ที่อารมณ์เพราะถ้าปล่อยไว้นานไปแล้วจะดึงกลับมายากดังนั้นดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าสติคือความมีสติอยู่ตลอดเวลากับสัมประชานะความรู้ทั่วพร้อม จึงเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญในการบาเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่ใจก็จะวิ่งไปสู่อารมณ์ภายนอกได้บางคราวกว่าจะรู้ตัวก็ไปเสไกลแล้วซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเห็นได้ว่าก็ทำนองเดียวกับการเดินหรือการขับรถ ซึ่งบุคคลจะต้องมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ถ้าระลึกทันก็ดีไปถ้าระลึกไม่ทันก็อาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาก็ได้การควบคุมจิตใจยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นเพราะถ้าหากวแว บ, บออกไปรับอารมณ์ภายนอกกว่าจะดึงกลับมาได้ก็ต้องเสียเวลาไป นานพอสมควรบางคนหรือว่าว่าบางคราวนั้นจิตแว บ, บออกไปคราวหนึ่งนั่งสมาธิต่อไปดึงกลับมาไม่ได้ต่อนั่งอีกตั้งหลายครั้งจึงดึงกลับเข้ามาหาความสงบได้ที่นี้เมื่อดึงกลับมาในจุดที่ตั้งสติได้แล้ว ก็ต้องนึกอย่างนี้จนกว่าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับจุดที่ลมกระทบได้จนจิตอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นจิตส ง, งบเป็นจิตอ่อนเป็นจิตเบิกบานผ่องใสซึ่งเป็นจุดหมายในขั้นของการทำสมาธิ ประการต่อไปก็คือบริกา ร, รมพุโทโธการบริกรรนี้เป็นอุบายที่จะผูกจิตให้แนบแน่นอยู่กับจุดอันเป็นที่ตั้งแห่งสติดังกล่าวแล้วในข้อสองนั่นเองก็คือการกำหนดหายใจเข้าออกหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธดังที่ได้กราบแล้วและบริกา ร, รมกันไป จนกว่าลมหายใจจะมีความละเอียดประณีตปรากฏขึ้นและการบริการแนวนี้ก็จะหยุดไปเองคือจะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ลมกระทบดังที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าบุคคลสามารถบังคับให้จิตนิ่งอยู่ในจุดอันเป็นที่ตั้งแห่งสติติดต่อกัน เป็นเวลานานพอสมควรได้ในขณะใดอุกกานิมิตคือนิมิต ท, ที่ติดตาหมายถึงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอนาปานสติก็จะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นอุกกาานิมิตนี้ กล่าวเฉพาะท่านที่ปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานบางคนจะปรากฏเป็นแสงสว่างหรือดวงสว่างขึ้นที่เบื้องบนของศีรษะบ้างเบื้องหน้าบ้างบางทีปรากฏเหมือนสายฟ้าและบางทีก็เหมือนประกายดาวเหมือนกับดวงแก้วมณีหรือว่า เหมือนกระดวงดาวเป็นต้นแต่ก็ปรากฏให้เห็นเพียงแว บ, บเดียวแล้วก็หายไปซึ่งหมายความว่าการเกิดของอุกกานิมิตนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าใจกำลังเริ่มเข้าสู่ความสงบซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามสืบต่อไปถ้าหากว่า สามารถทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิได้นานกว่าอุกกาหนิมิตจะปรากฏขึ้นต่อหน้าทีเดียวบางคนจะพบมีลักษณะเป็นแสงสว่างที่กำลังรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มหรือเป็นดวงแต่ก็ไม่ยอมตั้งอยู่เมื่อรวมตัวกันเข้าเป็นดวงแล้วจะดับปุบไปโดยเร็วซึ่ง ถ้าบุคคลปฏิบัติไปบ่อยๆข้าบ่อยๆข้าลักษณะดังนี้ก็จะปรากฏบ่อยเข้าในที่สุดก็จะตั้งอยู่ได้นานขึ้นต่อเมื่อมีความเพียรไม่ยอมท้อถอยง่ายๆเท่านั้นถ้ามีความเพียรอย่างแท้จริงปฏิบัติสืบต่อกันทุกวันในเวลาที่นานพอสมควร บุคคลก็จะสามารถบังคับอุกานิมิตให้ดำรงอยู่ได้ในลักษณะที่เป็นดวงสว่างคือให้ปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าได้ลักษณะเหล่านี้ได้เปลดเ้าใจว่าเป็นการบอกคล้ายๆกับชี้แจงเรื่องแผนที่เท่านั้นคือถ้ายังไม่ถึงก็แลไปแต่ถ้าหากว่าถึงข้าว สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทรงแนะวิธีที่ควรปฏิบัติต่อ น, นิมิตเหล่านั้นเอาไว้ในกรณีที่ยังไม่ถึงปฏิบัติอยู่ในขั้นใดตอนใดก็ปฏิบัติไปเฉพาะตอนนั้นไม่ต้องไปนึกอยากให้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่เกิดขึ้นดังที่เคยกล่าวมาในวันก่อนทีนี้ เวลาอุกกาหนิมิตบังเกิดขึ้นนั้นโดยตามปกติแล้วก็เป็นภาพใหม่เป็นของแปลกใหม่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติใจของบุคคลก็จะอดตื่นเต้นอดยินดีไม่ได้ลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าจิตก็จะพลากจากจุดซึ่งเคยกำหนดแต่เพื่อจะคุมให้จิตสงบ เมื่อจิตไปเกิดตื่นเต้นยินดีกับอุกหะนิมิตที่ปรากฏท่านก็แนะให้กำหนดระลึกอยู่ในจุดที่อุกหะนิมิตนั่นเองคือตรงกลางของดวงแสงสว่างนั้นก็ให้ดูไปทีนี้ถ้าหากว่าดูไปแล้วเกิดความสงบอยู่ที่อุกหะนิมิตนั่นก็ดีไป แต่ถ้าดวงแก้วเหล่านั้นหายไปก็ให้ตั้งสติกำหนดระลึกไว้ในจุดที่ดวงนั้นหายไปนั่นเองถ้าปรากฏก็กำหนดต่อถ้าดวงนั้นเกิดไม่ปรากฏขึ้นก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกต่อไปจนกว่านิมิตจะปรากฏขึ้นมาใหม่ ข้นี้จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นคือให้ใจสงบแต่นั้นเองไปเกาะอยู่ที่อะไรก็ได้เมื่อเกิดไปตื่นเต้นยินดีกับนิมิตจิตก็พร่านแทนที่จะปล่อยให้พร่านไปก็ให้สงบอยู่กับนิมิตเมื่อนิมิตหายไปก็ให้มาสงบอยู่กับจุดที่ลมกระทบก็สรุปว่าจะไปอยู่ในจุดใดก็ตามก็คือความสงบนั่นเอง ซึ่งในขั้นของการปฏิบัติที่ทรงแสดงกระจายออกไปนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของการระลึกทันในอริยบทต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มทําพูดคิดเป็นต้นก็มีสติระลึกทันทั้งก่อนทั้งขณะนั้นๆทั้งขณะที่ ทำเป็นต้นไปแล้วการที่ดวงโอกาสนิมิตตั้งอยู่เบื้องหน้าได้เช่นนั้นแสดงว่าปฏิภาคกนิมิตรพร้อมจะปรากฏขึ้นแล้วถ้าบุคคลสามารถบังคับจิตในนิ่งได้นานขึ้นอีกปฏิภาคนิมิตจะชแรกขึ้นมาใน่าำกลางดวงโอกาสนิมิตนั่นเองลักษณะของปฏิภาคนิมิต ซึ่งตามชื่อแล้วหมายถึงว่านิมิตเทียบเคียงคือนิมิตด้านท่านแบ่งออกเป็นสามชั้นชั้นแรกเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิต ท, ที่เกิดจากการบริกรรมอย่างเช่นพุทโธเป็นต้นแล้วเมื่อบริกรรมไปอุกหานิมิตจะปรากฏอุกหานิมิตแปลว่านิมิต ท, ที่ติดตาหรือว่านิมิต ท, ที่เกิดขึ้นหรือผุดขึ้น สำหรับคนที่ใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นเช่นว่าเพ่งดูดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็จะปรากฏเป็นภาพคือกรรมฐานประเภทนี้เ็าลืมตาลืมตาบ้างหลับตาบ้างจนภาพที่ปรากฏในขณะลืมตากับหลับตานั้นเหมือนกันกือเห็นเหมือนกันเราเรีย ก, กว่าอุกกานิมิตคือนิมิตที่ติดตา แต่ว่าอนาปาณสติกรรมฐานก็มีอุกห h a n ิมิตเหมือนกันคือนิมิตที่ผุดขึ้นเหมือนกันอย่างที่ได้บ้ามาแล้วต่อแต่นั้นเมื่ออุก a h a n ิ m i t t ดำรงอยู่ได้นานปฏิภาคนิมิตก็จะซ้อนขึ้นมาที่ดวงอุก a h a n ิ m i t นั้นปฏิภาคนิมิตแปลว่านิมิตที่เทียบเคียงในกรณีที่ดูรู ป, ปรวัตถุ เช่นดินน้ำลงไฟหรือสีต่างๆท่านผู้บริกรรมสามารถที่จะขยายสัดส่วนของปฏิภาคนิมิตได้คือให้เล็กให้ใ ห, ใหญ่ตามใจปรารถนาได้โดยสัดส่วนไม่ได้เสียเช่นเดียวกับการขยายรูปวงกลมด้วยวงเวียนแต่ว่าปฏิภาคนิมิตของอาณาปานสติกรรมฐานไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้น โดยมากแล้วจะมีลักษณะเป็นดวงแก้วที่สวยงามมากครั้งแรกๆดวงแก้วนี้จะมีขนาดไม่แน่นอนเกิดจะใหญ่บ้างอาจจะเล็กบ้างทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความคมของจิตที่เพ่งดูอารมณ์อยู่นั้นในขณะใดที่จิตคมและเป็นสมาธิแนบแน่นปฏิภาคนิมิตที่ปรากฏจะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเท่านั้น และจะเปล่งรัศมีอันแจ่มจัดออกไปรอบตัวลักษณะอย่างนีเ้เราอาจจะเรียกว่าพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์ก็ได้คือลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าก็แสงไม่ได้แสบตาอะไรเพราะว่าผู้ปฏิบัติก็หลับตาอยู่ท่านสอนให้พยายามทําให้ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทําสมาธิ และต้องทำให้เกิดขึ้นเร็วเขาทุกทีเช่จนจากครึ่งชั่วโมงจึงเกิดถึงย9สบ้านาทีจึงเกิ ด, กดแล้วก็เรื่อยไปจนนั่งสมาธิไม่นานปฏิภาคนิมิตก็เกิดได้เมื่อสามารถทำปฏิภาคนิมิตได้เกิดขึ้นได้ในขณะที่นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้ฝึกเพ่งโดยลืมตาในเวลากลางคืน ให้ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นทั้งๆที่ลืมตาหยุดนั้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความชำนิชำนาญให้เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกับการหลับตาต่อจากนั้นให้ฝึกเพ่งโดยลืมตาในเวลากลางวันให้ปฏิภาคนิมิต <c oughs> ปรากฏขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกขณะที่ต้องการ ที่ต้องทำอย่างนี้คือต้องฝึกปรือกันอย่างนี้ก็เพื่อจะให้สมาธิบังเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานเป็นการฝึกจิตของตนเองให้มีความคมกล้าขึ้นที่สำคัญก็คือสามารถทำลายโมหะซึ่งเป็นต้นข้าวของนิวร อ, อันเป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานต้องการจะสงบประงับ นิวรณเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมีข้อที่ควรศึกษาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของมโนภาพที่ปรากฏขึ้นจากสัญญาในอดีตคือหมายความว่าบุคคลไปปรุงคิดหรือไปคิดปรุงเรื่องเหล่านั้นขึ้น ส่วนมากแล้วมักจะเกิดขึ้นแก่ผู้ทำสมาธิที่ขาดสติและความรอบรู้คือการเห็นภาพในขณะทำสมาธินี่ภาพที่กล่าวนี้มีได้ต่างๆไม่จำกัดและอาจจะเป็นได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพสถานที่ภาพบุคคลภาพเหตุการณ์โดยมากแล้วจะสวยงามมีจิตพิสดานเป็นที่น่าพอใจ และที่น่าเกลียดน่ากลัวทำให้ขนพองสยอ ง, ยองกล้าวคือมีอยู่สองพวกแต่ส่วนมากอาณาปานสติจะไม่เกิดในรูปของสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่ว่ามาแล้วคืออาจเกิดความกลัวบางทีอาจจะเกิดความหลงบางทีอาจจะเกิดความกลัวแต่ที่ร้ายก็คือว่า เกิดเป็นอุปาทานอุปาทานนั้นหมายถึงว่าภาพเหล่านี้บุคคลได้เก็บไว้ในสมองในจิตของตนมาในอดีตอาจจะเป็นภาพบวกกับฝาผนังกับหนังสือดนังหาและจากการอ่านการปรุงคิดการคิดปรุงขึ้นมาก็ได้ที่นี้ภาพเหล่านี้เมื่อเห็นกันมากๆเข้า บางทีก็อาจจะเกิดมโนภาพเป็นรูปของนรกเป็นรูปของสวรรค์แล้วก็ทำให้หลงตัวเองว่าสามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นต้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วมโนภาพเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากสัญญาคือความจำเรื่องราวต่างๆในอดีตทั้งอดีตใกล้และอดีตไกลที่ตนเชื่อ ก็รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษและในที่สุดก็เกิดอุปาทานคือยึดมั่นบางภาพเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ยังจําได้ดีเพราะเป็นอดีตใกล้ก็จะไม่รู้สึกแปลกใจนักแต่บางภาพเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เป็นอดีตไกลและประกอบกับการปรุงแต่งอันวิจิตพิสดารยิ่งของจิตก็จะรู้สึกแปลกใจและทึกทักว่าตนมีญาณพิเศษ จึงสามารถเห็นเช่นนั้นได้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมโนภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนเละเกินบุคคลจะต้องกำหนดรู้ให้ทันว่านี้ไม่ใช่ของจริงเป็นเรื่องของมโนภาพเป็นเรื่องของจิตที่สายไปปรุงคิดไปคิดปรุงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเท่านั้น ถ้าต้องการให้มนโนภาพเหล่านั้นหายไปก็รีบตั้งสติโดยเร็วเกืออยู่ในจุดที่ ท, ที่กำลังระลึกอยู่หรือจะภาวนาพระพุโทโธก็ได้ภาพนั้นจะหายไปในไม่ช้าต่อแต่นั้นก็ให้สำรวจตรวจสอบดูตัวเองว่า การที่ภาพปรากฏขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เป็นภาพจริงภาพที่ปรุงขึ้นหรือเป็นภาพอุปาทานหรือว่าเป็นความฝันท่านก็จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของการเผลอสติไปจริงๆ เ, ออเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็จะได้พยายามรักษาสติเอาไว้ให้มั่นในการทำสมาธิครั้งต่อไปเพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าการทำสมาธินั้นจะขาดสติไม่ได้เพราะถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไรแล้วจิตจะต้องสายสายไปตรึกนึกถึงอารมณ์แล้วจะมีการปรุงคิดจะมีการคิดปรุงขึ้นมา และสิ่งที่นำมาปรุงคิดนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นจากสิ่งที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ปรุงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจการปรุงแต่งในลักษณะนี้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกของอวัยวะทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง อวัยวะทั้งหลายเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งได้ก็ต้องอาศัยธาตุลมหายใจเข้าไปถ้าปราศจากธาตุลมเสื่แล้วกายนี้ย่อมเคลื่อนไหวไดๆไม่ได้ทั้งสิน้นธาตุลมนี้หมายถึงอากาศที่มีพร้อมอยู่เสมอทางทวารทั้งหลายคือทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ ฉะนั้นกองลมหายใจทั้งปวงก็คือลมหายใจที่เข้าไปประชุมพร้อมเพื่อเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งที่ตะวันทั้งหกนั่นเองดังนั้นในขั้นต่อไปจึงทรงสอนให้กำหนดรู้กองลมในการหายใจปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมจะต้องกำหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง เหตุผลในการนี้ก็มีอยู่ว่าผู้ที่กำหนดรู้กองลมหายใจได้นั้นย่อมเข้าใจธาตุลมเป็นอย่างดีผู้ที่เข้าใจธาตุลมเป็นอย่างดีย่อมสามารถระ ง, งับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่รู้การส ง, สงบระ ง, งับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั้นบางคนอาจจะ เวลาประสบเข้าก็อาจจะคิดว่าตนจะตายอะไรเหล่านี้แต่ก็ต้องนึกว่าบุคคลที่ไม่หายใจเข้าออกนั้นท่านแสดงว่ามีอยู่สี่ประเภทคือทารกในครรภ์อาสันยีสัตว์หรือที่เรียกกันว่าพรหมลูกฟักท่านที่เข้าถึงวิบากของจจตุจาชาญและท่านที่เข้านิโรธสมาบัต แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดเหล่านั้นเพราะงั้นแม้ลมหายใจจะเบาลงไปจนบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ควรตกใจแต่ตนเคยบริกรรมกรรมฐานข้อใดอยู่กำหนดสติระลึกอะไรอยู่ก็กาหนดไปอย่างนั้นอย่าได้ตกใจ เพราะถ้าเกิดตกใจเวลาลมหายใจเบาลงจิตก็จะพากอยากอารมณกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปอีกหรือบางทีตกใจแล้วก็ลุกขึ้นไปเลยทำให้สมาธิซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นสลายพร้อมกับการลุกขึ้นไปด้วยเรื่องการปฏิบัติจนเกิดเป็นพวกนิมิตเหล่านี้ ใครอยู่ในขั้นของบริกรรมก็กำหนดระลึกไปถ้าหากว่านิมิตผุดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ไว้ว่าเป็นเพียงทางผ่านที่ต้องประสบพบเห็นอย่าไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าติดเข้าก็ให้กำหนดระลึกอยู่ในจุดของโอกาสนิมิต ท, ที่ผุดขึ้นนั้นคือสรุปว่าพยายามให้จิต จับอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งพือให้สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้และที่สำคัญก็คือพยายามอย่าไปปรุงโดยอาศัยสัญญาในอดีตเข้ามาทำให้เกิดเป็นมโนภาพร้อนดังที่ได้ว่ามาแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นก็ต้องเร่งความเพียรในการกาหนดพุทโธเป็นต้นให้มากข่าวก็สามารถที่จะแก้ ภาพเหล่านั้นออกไปได้กำหนดทิศทางของการปฏิบัติให้เดินไปในแนวที่ถูกที่ควรแล้วผลจากการปฏิบัติก็จะบงังเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป